สิลีลาการบรรลุธรรมวงเล็บเปิดสิบเก้าเมษายน25งพัน้าห้าสิบเอในวงเล็บสองจุดจุดนาทียี่สิบวงเล็บปิดอย่างคนมาฟังหลวงพ่อนะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกหลวงพ่อก็พูดเหมือนกันทุกวันแหละว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีถึงวันที่มันพอนะได้ยินคําว่าตัวเราไม่มีมันจะสะท้านสะเทือนขึ้นมาเลยว่าตัวเราไม่มีจริงๆเห็นว่าไม่มีจริงๆ จิตก็จะรวมลงไปขาดสะบั้นลงไปละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้บางทีไม่ต้องฟังก็ได้จิตมันดูดูของมันอยู่นะพอมันพอนะมันจะไหววับขึ้นมาเลยมันอย่างรู้ลงไปในธรรมะพอมันเข้าใจธรรมะขึ้นมาปั๊บนะจะตัดขาดสะบั้นลงไปเลยความเข้าใจนั่นแหละตัวสำคัญเลยตัวที่ทำให้ตัดคือตัวเข้าใจนะคือปัญญาปัญญามีหน้าที่ตัดตัวอื่นไม่ได้มีหน้าที่ตัดนะ สติมีหน้าที่จับนะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งสติแรงไปก็จะไปจับอารมณ์เอาไว้แน่นดังนั้นอย่าตั้งสติแรงไปจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยเรียกว่าให้มีสติบ่อยๆดีกว่ามีสติอันเดียวนานๆจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยรู้แล้ววางรู้แล้ววางไปนะเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้เรื่อยๆไปบางคนจิตมันถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาเองนั่งดูๆไปมันอุทานขึ้นมาว่าเอ๊ะจิตไม่ใช่เรานี่ นี่โลกธาตุเหมือนพลิกคว่าแวอากออกไปเลยนะอาสวะถูกแหวกออกไปทําให้เห็นความจริงบางคนก็เหมือนมีนิมิตเหมือนพระพุทธเจ้ามาบอกเหมือนครูบาอาจารย์มาสอนภาวนาอยู่ดีๆนะเหมือนกับพระพุทธเจ้ามาบอกเหมือนกับครูบาอาจารย์มาสอนก็ปิ๊งในธรรมะขึ้นมาความจริงจิตมันถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาแต่ว่าถ่ายทอดโดยอาศัยสมมุติสร้างภาพครูบาอาจารย์บ้างสร้างภาพพระพุทธเจ้ามาสอนบ้างไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านมาสอนหรอกนะ ตอนถ่ายทอดขึ้นมาใจมันพอแล้วมันก็ปิ๊งแล้วขาดเลยดังนั้นในพระไตรปิฎกในธรรมบทจะมีเรื่องพวกนี้เยอะเช่นพระบางรูปได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปภาวานาตามป่าตามเขาถึงเวลาพอสมควรแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าฉายพระรัศมีมาปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตาแล้วพอท่านเทศให้ฟังประโยคสองประโยค ก, ก็บรรลุพระอารหันต์สภาวะอย่างนี้ยุคนี้ก็เกิดได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นยุคคนโบราณหรอก พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสภาวะอย่างนี้ก็ยังเกิดได้อีกเพราะว่าจิตนั่นแหละถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาอาศัยรูปพระพุทธเจ้าบ้างรูปครูบาอาจารย์บ้างเป็นสื่อก็เป็นไปได้บางคนนั่งฟังครูบาอาจารย์อยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ฟังแล้วมันปิ๊งขึ้นมาเลยอันนั้นคือหมายถึงว่ามันภาวนามาพอแล้วฟังแล้วก็ปิ๊งขาดเลยก็มีดังนั้นคนที่บรรลุธรรมก็เลยมีหลากหลายลีลานะ อันหนึ่งก็คือฟังอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละแล้วก็บรรลุขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะจิตมันถ่ายทอดออกมาเหมือนกับพระพุทธเจ้ามาสอนเราเลยในคัมภีร์บอกว่าพระพุทธเจ้าฉายรัศมีมาเหมือนมันฉายหนังนั่นแหละฉายหนังเป็นพระพุทธเจ้ามาสอนเรานะอีกอันหนึ่งก็บรรลุขึ้นเองเลยมีหลายแบบค่อยๆฝึกเอานะอันนี้เล่าแบบยั่วกิเลสเรียกว่าเอากิเลสมายั่วกิเลสนะยั่วให้สู้กับกิเลส เดียววันหนึ่งเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วจะรู้เลยคนชอบบอกว่าหลวงพ่อพูดเล่นนะความจริงทุกสิ่งที่พูดเนี่ยสภาวะล้วนๆเลยแต่ฟังแล้วบางทีมันขำๆมันนึกไม่ถึงฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อพูดแบบหมดเปลือกนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านเทศท่านก็เทศแบบหมดเปลือกท่านบอกว่าท่านไม่ใช่ครูบาอาจารย์แบบที่ซ่อนอะไรไว้ในกำ ม, มือมีอะไรก็แบะให้นะอยู่ที่สติปัญญาของเราจะรับได้แค่ไหนตั้งหาก ไม่เคยปกปิดวิทยายุทธเลยนะแต่ว่ายังหาคนเรียนวิทยายุทธของหลวงพ่อให้จบไม่มีเลย